ทุกะมาติกาวิสัชนาหนึ่งเหตุุโคจกะวิสัชนาขันสีไม่เป็นเหตุสังขารขันที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุก็มีรูปขันไม่มีเหตุขันสีที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีรูปขันวิปยุจจากเหตุขันสีที่สัมปยุจด้วยเหตุก็มีที่วิปยุจจากเหตุก็มีรูปขันกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุ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 เป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุหรือสัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต right> ่ไม่เป็นเหตุขันสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป вот um ็นเหตุก็มีสังขารขันที่เป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุ หรือสัมปยุด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีรูปขัน parece, society, clothes, ไ, มมขไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุขันสามที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีสังขารขันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีสอง จุลันตระทุกกวิสัชนาขันห้ามีปัจจัยปรุงแต่งถูกปัจจัยปรุงแต่งขันสี่เห็นไม่ได้รูปขันที่เห็นได้ก็มีที่เห็นไม่ได้ก็มีขันสี่กระทบไม่ได้รูปประขันที่กระทบได้ก็มีที่กระทบไม่ได้ก็มีรูปขันเป็นรูปขันสี่ไม่เป็นรูปรูปขันเป็นโลกียะขันสี่ที่เป็นโลกียะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มี ขันห้ทททาที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มีสอาสวะโคจรกวิสัชนาขันสี่ไม่เป็นอาสวะสังขารขันที่เป็นอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอาสวะก็มีรูปขันเป็นอารมณ์ของอาสวะขันสี่ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีรูปขันวิปยุจจากอาสวะ ขันสี่ที่สัมปยุทธ์ด้วยอาชวะก็มีที่วิปยุทธ์จากอาชวะก็มีรูปขันกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาชวะและเป็นอารมณ์ของอาชวะหรือเป็นอารมณ์ของอาชวะแต่ไม่เป็นอาชวะขันสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาชวะและเป็นอารมณ์ของอาชวะที่เป็นอารมณ์ของอาชวะแต่ไม่เป็นอาชวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของอาชวะแต่ไม่เป็นอาชวะก็มี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 เป็นอาสวะและ well, ส, ส, สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม um ่เป็นอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีสังขารขันที่เป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะหรือสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มี รูปขันธ์วิปยุ์จากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะขันธ์สี่ที่วิปยุ์จากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปยุ์จากอาสวะแต่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุ์จากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะหรือวิปยุ์จากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีสสัญญโนะโคจกวิสัชนา ขันศีไม่เป็นสังโยชน์สังขารขันที่เป็นสังโยกก็มีที่ไม่เป็นสังโยกก็มีรูปขันเป็นอารมณ์ของสังยโยชน์ ข, ขันศีที่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีรูปขันวิปยุจจากสังโยชน์ขันศีที่ส sí ัมปยุจด้วยสังโยกก็มีที่วิปยุจจากสังโยกก็มีรูปข yani ันกล่าวไม่ได้ว like ่าเป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์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 เป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์หรือเป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีรูปขันกล่าวไม disput, uns, ่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และสัมปยุทธ์ด like ้วยสังโยชน์หรือสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ขันสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มี สังขารขันธ์ที่เป็นสังโยชน์และสัมยุญด้วยสังโยกก็มีที่สัมบุญด้วยสังโยต์แต่ไม่เป็นสังโยกก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และสัมบุญด้วยสังโยต์หรือสัมยุญด้วยสังโยต์แต่ไม่เป็นสังโยชกก็มีรูปขันธ์วิปยุจจากสังโยต์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยน์ขันธ์สี่ที่วิปยุจจากสังโยต์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชกก็มี วิปยุจจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุจจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์หรือวิปยุจจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน <World> ์ก็มี 5. ้คันทะโคโจกาวิสัชนาขันศีไม่เป็นคันทะสังขารขันที่เป็นคันทะก็มีที่ไม่เป็นคันทะก็มีรูปรขันเป็นอารมณ์ของคันทะ ขันศีที่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีรูปขันวิปยุจจากคันทะขันศีที่สัมปยุจด้วยคันทะก็มีที่วิปยุจจากคันทะก็มีรูปขันกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะหรือเป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะขันสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะ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 เป็นคันทะและสัมปยุทธ์ด้วยคันทะหรือสัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะขันสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะและสัมปยุทธ์ด้วยคันทะที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะก็มีสังขารขันที่เป็นคันทะและสัมปยุทธ์ด้วยคันทะก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่า เป็นคันธะและสัมปัญจด้วยคันธะหรือสัมปัญจด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีรูปขันธ์วิปยุจจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะขันธ์สที่วิปยุจจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่วิปยุจจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุจจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะหรือวิปยุจจากคันธะ และไม่เป็นอารมณ์ของคันธะปัมีหถึงแปดโอคะโคชกาธิวิสัชนาคันสี่ไม่เป็นโอคะและถึงไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวร สังขารขันที่เป็นนิวรณ์ก็มีที่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีรูปขันเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ขันสีที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีรูปขันวิปยุจจากนิวรณ์ขันสีที่สัมปยุจด้วยนิวรณ์ก็มีที่วิปยุจจากนิวรณ์ก็มีรูปขันกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ ขันสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณและเป็นอารมณ์ของนิวร์ที่เป็นอารมณ์ของนิวรแต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของนิวรณแต่ไม่เป็นนิวรณก็มีสังขารขันที่เป็นนิวรณและเป็นอารมณ์ของนิวรณก็มีที่เป็นอารมณ์ของนิวรณแต่ไม่เป็นนิวรณก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณและเป็นอารมณ์ของนิวรหรือเป็นอารมณ์ของนิวรแต่ไม่เป็นนิวรก็มี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 ที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์หรือสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีรูปขันวิปยุทธ์จากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ขันสีที่วิปยุทธ์จากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่วิปยุทธ์จากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุทธ์จากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ หรือวิปยุจจากนิวรณและไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณก็มี 9. ประมาสโคจักวิสัชนาขันศีไม่เป็นปรามาสสังขารขันที่เป็นปรามารก็มีที่ไม่เป็นปรามากก็มีรูปขันเป็นอารมณ์ของปรามาสขันศีที่เป็นอารมณ์ของปรามากก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามารก็มีรูปขันวิปยุจจากปรามาส ขันสามที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามากก็มีที่วิปยุทธ์จากปรามากก็มีสังขารขันที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามากก็มีที่วิปยุทธ์จากปรามากก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยปรามากหรือวิปยุทธ์จากปรามากก็มีรูปขันกล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามากและเป็นอารมณ์ของปรามากหรือเป็นอารมณ์ของปรามากแต่ไม่เป็นปรามากขันสามกล่าวไม่ได้ว่า เป็นปรามาตและเป็นอารมณ์ของปรามาตที่เป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาตก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาตก็มีสังขารขันที่เป็นปรามาตและเป็นอารมณ์ของปรามาตก็มีที่เป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาตก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาตและเป็นอารมณ์ของปรามาตหรือเป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาตก็มี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 ขันสี่รับรู้อารมณ์ได้วิญญาณขันเป็นจิตขันสี่ไม่เป็นจิตขันสามเป็นเจตสิกขันสองไม่เป็นเจตสิกขันสามสัมปยุทธ์ด้วยจิตรูปขันวิปยุทธ์จากจิตวิญญาณขันกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยจิตหรือวิปยุทธ์จากจิตขันสามรักคนกับจิตรูปขันไม่รับคนกับจิต วิญญาณขันกล่าวไม่ได้ว่ารักคนกับจิตหรือไม่รักคนกับจิตขันสามมีจิตเป็นสมุทฐานวิญญาณขันไม่มีจิตเป็นสมุทฐานรูปขันที่มีจิตเป็นสมุทฐานก็มีที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานก็มีขันสามเกิดพร้อมกับจิตวิญญาณขันไม่เกิดพร้อมกับจิตรูปขันที่เกิดพร้อมกับจิตก็มีที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตก็มีขันสามเป็นไปตามจิต วิญญาณขันไม่เป็นไปตามจิตรูปขันที่เป็นไปตามจิตก็มีที่ไม่เป็นไปตามจิตก็มีขันสารักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานขันสองไม่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานขันสารักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตขันสองไม่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตขันสามรักคนกับจิต มีจิตเป็นส ม, มุธฐานและเป็นไปตามจิตขันสองไม่รัควรกับจิตมีจิตเป็นสมุธฐานและเป็นไปตามจิตสิออุปาทานโคจกะวิญญาณขันเป็นภายในขันสามเป็นภายนอกรูปขันที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีขันสี่ไม่เป็นอุปาทายรูปรูปขันที่เป็นอุปาทายรูปก็มีที่ไม่เป็นอุปาทายรูปก็มี ข, ขันห้าที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีขันสี่ไม่เป็นอุปาทานสังขารขันที่เป็นอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอุปาทานก็มีรูปขันเป็นอารมณ์ของอุปาทานขันสี่ที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีรูปขันวิปยุตจากอุปาทาน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 หรือวิทยุแจกอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีสิบสองกิเลสกโคจกะขันธ์สี่ไม่เป็นกิเลสสังขารขันธ์ที่เป็นกิเลสก็มีที่ไม่เป็นกิเลสก็มีรูปขันธ์เป็นอารมณ์ของกิเลสขันธ์สที่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีรูปขันธ์กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมอง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 ขันสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทําให้เศร้าหมองที่กิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ากิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีสังขารขันที่เป็นกิเลสและกิเลสทําให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทําให้เศร้าหมองหรือกิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มี รูปขันกล่าไไวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสหรือสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสขันสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีสังขารขันที่เป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสหรือสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีรูปขันวิปยุทธจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสขันสีที่วิปยุทธจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่วิปยุทธจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุทธจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส หรือวิปยุจจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี 13. มหาอตระทุกปะวิสัชนารูปขันธ์ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักขันธ์สที่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมักก็มีรูปขันธ์ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามขันธ์สที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มี รูปขันไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักขันสี่ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีรูปขันไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามขันสี่ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีรูปขันไม่มีวิตกขันสี่ที่มีว cool, ิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มี รูปขันไม่มีวิจารขันสี่ที่มีวิจารก็มีที่ไม่มีวิจารก็มีรูปขันไม่มีปีติขันสี่ที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีรูปขันไม่สหรโคตด้วยปีติขันสี่ที่สหรโคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีขันสองไม่สหรคตด้วยสุขขันสามที่สหรคตด้วยสุขก็มี ที่ไม่สหรคตด้วยสุกก็มีขันสองไม่สหรคตด้วยอุเบกขาขันสามที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีรูปขันเป็นกลามาวจรขันสี่ที่เป็นกลามาวจรก็มีที่ไม่เป็นกามวจรก็มีรูปขันไม่เป็นรูปาวจรขันสี่ที่เป็นรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นรูปาวจรก็มี รูปขันไม่เป็นอรูปาวจรขันสีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีรูปขันนับเนื่องในวัตทุกขขันสีที่นับเนื่องในวัตทุกข์ก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ก็มีรูปขันไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ขันสีที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ก็มี รูปขันเป็นธรรมชาติไม่แน่นอนขันศีที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีรูปขันมีธรรมอื่นยิ่งกว่าขันศีที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีรูปขันไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ขันศีที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีปัญหาปุจจกะ ขันธวิพังจบบริบูรณ์ 2. อ, อายตนาวิพังหนึ่งสุตันตพาชนีอายตนาสิบสองคือหนึ่งจักขายายตนะสองรูปายตนะ 3. โสตายตนะสศรัทธายตนะหาคาญายตนะหคันทายตนะเจดชิวหายตนะ 8. ปดรสายตนะ 9. กาายายตนะส0โผทพายตนะส1บอดมณายตนะส2องธรรมายตนะจากสุไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดา รูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปลผันไปเป็นธรรมดาโสตะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปลผันไปเป็นธรรมดาสัทธะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปลผันไปเป็นธรรมดาภาณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปลผันไปเป็นธรรมดาขันทะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปลผันไปเป็นธรรมดา ชิวหาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดารสไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดากายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาโพฏพระไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดามโนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดา ทำไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาสุตันตะพาชณีจบสองอภิธรรมภาพาชณีอายตนะสิบสองคือหนึ่งจะกาายตนะ สองโสตายตนะสามคานายตนะสี่ชิวหายตนะห้ากายายตนะหกมนายตนะเจ็ดรูปายตนะแปดสััทธายตนะเก้าคันธาายตนะสิทธรษายตนะสิบเอ็ดโพธภายตนะสิบสองธรรมายตนะบรรดาอายตนะสิบสองนั้นจากขาอายตนะเป็นไน จักสุใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นับหนึ่งในอัตภาพเป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เช่นบุคคลเคยเห็นกำลังเห็นจากเห็นหรือพึงเห็นรูปที่เห็นได้และกระทบได้ด้วยจักสุใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่าจักขูบ้างจักขายตนะบ้างจักขู่ธาตุบ้างจักขุนสีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุดบ้าง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 หรือพึงฟังเสียงที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยโสตะใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่าโสตะบ้างโสตายตนะบ้างโสตะธาตบ้างโสตินสีบ้างโลกบ้างทวารบ้างสมุดบ้างปัญธระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างนี้เรียกว่าโสตายตนะคานายตนะเป็นไน คานใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นับเนื่องในอัตภาพเป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เช่นบุคคลเคยดมกําลังดมจากดมหรือพึงดมกลิ่นที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยคานใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่าคานะบ้างคานายจตนาบ้างคานาธาตบ้างคานินสีบ้างโลกบ้างทวารบ้าง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 กายใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นับหนึ่งในอัตภาพเป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เช่นบุคคลเคยถูกต้องกาลังถูกต้องจากถูกต้องหรือพึงถูกต้องโพธภะที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยกายใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่ากายบ้างกายยายตนะบ้างกายยถาบ้างกายยินสีบ้างโลกบ้างทวารบ้าง สมุดบ้างปัญธระบ้างเขตบ้างวัตถุบ้างฝั่งนี้บ้างบ้านว่างบ้างนี้เรียกว่ากายายตนะมนายตนะเป็นไนมนายตนะหมวดละหนึ่งได้แก่มนายตนะที่สัมปยุทธ์ด้วยภาษะมนายตนะหมวดละสองได้แก่มนายตนะที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีมัญญายตนะหมวดละสามได้แก่มนายตนะที่เป็นกุศลก็มี ที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤิตก็มีมนายตนะหมวดละสีได้แก่มนายตนะที่เป็นความาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกข์ก็มีมนายตนะหมวดละห้าได้แก่มนายตนะที่สัมปยุดด้วยสุขินรีก็มีที่สัมปยุดด้วยทุกขินรีก็มีที่สัมปยุดด้วยสมมนสินสีก็มี ที่สัมปยุทธ์ด้วยโทมานสินสีเขมีที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขินสีเขมีมนายตนะหมวดละหกได้แก่จะขวิญญาณโสตะวิญญาณคาณวิญญาณทิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณมนายตนะหมวดละหกมีด้วยอาการอย่างนี้มนายตนะหมวดละเจ็ดได้แก่จกขวิญญาณโสตะวิญญาณคาณวิญญาณทิวหาวิญญาณ กายวิญญาณมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุมนายตนะหมวดละเจดมีด้วยอาการอย่างนี้มนายตนะหมวดละแปดได้แก่จักผูวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณคิวหาวิญญาณกายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยทุกขก็มีมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุมนายตนะหมวดละปดมีด้วยอาการอย่างนี้ มนายตนะหมวดละเก้าได้แก่จะขวิญญาณโสวตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอภยกฤิก็มีมนายตนะหมวดละเก้ามีด้วยอาการอย่างนี้มนายตนะหมวดละสิบได้แก่จกขวิญญาณโสวตวิญญาณคานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณกายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยทุกขก็มีมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤิก็มีมนายตนะหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้มนายตนะหมวดละหนึ่งได้แก่มนายตนะที่สัมปยุทธ์ด้วยปัสสะมนายตนะหมวดละสองได้แก่ มนายตนะที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีมนายตนะหมวดละสามได้แก่มนายตนะที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอะทุกขละมสุขเวทนาก็มีและถึงมนายตนะหมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่ามนายตนะรูปายตนะเป็นไนรูปใดเป็นสีต่าง อาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นรูปที่เห็นได้และกระทบได้เช่นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีดำสีหงสบาดสีคล้ำสีเขียวใบไม้สีม่วงยาวสั้นละเอียดหยาบกลมรีสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมสิบหกเหลี่ยมลุ่มดอนเงาแดดสว่างมืดเมฆหมอกควัน ละอองแสงจันทร์แสงอาทิตย์แสงดาวแสงกระจกแสงแก้วมณีแสงสังแสงแก้วมุกดาแสงแก้วไพลทูลแสงทองแสงเงินหรือรูปแม่อื่นใดที่เป็นสีต่างๆอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นรูปที่เห็นได้และกระทบได้มีอยู่เช่นบุคคลเคยเห็นกําลังเห็นจากเห็นหรือเพิ่งเห็นรูปใดที่เห็นได้และกระทบได้ ด้วยจักษุที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่ารูปบ้างรูปายตนะบ้างรูปธาตุบ้างนี้เรียกว่ารูปายตนะสัทธายตนะเป็นไนเสียงใดอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เช่นเสียงกลองเสียงตะโพนเสียงสังเสียงบันดอเสียงขับร้องเสียงประโคมเสียงกรับเสียงปรบมือ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 สัทธายตนะบ้างสัทธธาตุบ้างนี้เรียกว่าสัทธายตนะคันธาตุยตนะเป็นชนิดกลิ่นใดอาศัยมหาภูตรูปสี่เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เช่นกลิ่นรากไม้กลิ่นแก่นไม้กลิ่นเปลือกไม้กลิ่นใบไม้กลิ่นดอกไม้กลิ่นผลไม้กลิ่นบูดกลิ่นเน่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นแม่อื่นใด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 เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เช่นรสรากไม้รสลำต้นรสเปลือกไม้รสใบไม้รสดอกไม้รสผ ล, ลไม้รสเปรี้ยวหวานขมเผ็ดเค็มขื่นเฟื่อนฝาดอร่อยไม่อร่อยหรือรสแม่อื่นใดอาศัยมหาปูต ร, รูปสี่เป็นรูปที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้มีอยู่เช่นบุคคลเคยลิ้มกำลังลิ้มจากลิ้ม หรือพึงลิ้มรสใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยชิวหาที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่ารสบ้างรส า, ายตนะบ้างรสธาตุบ้างนี้เรียกว่ารส า, ายตนะโพธพายตนะเป็นฉนัยปัทวีธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุที่แข็งอ่อนละเอียดหยาบมีสัมผัสเป็นสุขมีสัมผัสเปส็นทุกข์หนักเบา เช่นบุคคลเคยถูกต้องกำลังถูกต้องจกถูกต้องหรือพึงถูกต้องโภถภะใดที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ด้วยกายที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้นี้เรียกว่าโพถภะบ้างโพถภายตนะบ้างโพถภพธาตุบ้างนี้เรียกว่าโพถภายตนะธรรมายตนะเป็นไนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขัน รูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับหนึ่งในธรรมายตนะและท่าที่ปัจจัยไม่พรุงแต่งเวทนาขันเป็นไนเวทนาขันหมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยผัษาและถึงเวทนาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้เวทนาขันหมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าเวทนาขันสัญญาขันเป็นไน สัญญาขันหมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันที่สัมปยุตด้วยภาษาและถึงสัญญาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันหมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าสัญญาขันสังขารขันเป็นไนสังขารขันหมวดละหนึ่งได้แก่สังขารขันที่สัมปยุตด้วยจิตละถึงสังขารขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้ สังขารขันโหมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าสังขารขันรูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับหนึ่งในธรรมายตนะเป็นไฉนอิถินสีและถึงกวลียนก ร, ราหานนี้เรียกว่ารูปที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งนับหนึ่งในธรรมายตนะถ้าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งเป็นไฉนสภาวะธรรมเป็นที่สิ้นราคะเป็นที่สิ้นโทสะ เป็นที่สิ้นโมหะนี้เรียกว่าถ้าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งนี้เรียกว่าธรรมายตนะอภิธรรมพภาชนีจบ